ใช้หลายๆอย่างสร้างสติปัญญาเราก็ตื่นนอนมาไหวพระสวดมนต์สาธยายธทรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำมาแสดงออกทางวาจาศียามลายาธเราก็แสดงออกหัง ใ, ใจเราก็แสดงออกติดตามคำสวดรูปไปตาม ในแต่บททือเป็นความหลุดความพ้นทำให้เกิดความฉลาดเกิดปัญญาสุดท้ายเราก็มาฟังการพูดการบอกในวัดปฏิบัติในวานก็ได้ฟังเรื่องความหลุดพ้นจาก กายจากเวทนาจากกิจจากธรรมเหมือนกับการไขกุญแจแก่โซ่ปลดปล่อยตัวเองออกไปไม่ถูกกักขังเห็นสภาพชีวิตที่มันมีส่วนที่มันขวงขวงกันกันเคยเป็นสุขเป็นทุกข์เรเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องกิจเรื่องธรรมเอาหลงอยู่นี่กี่ภพกี่ชาติ ตอคองแวะอยู่อย่างนี้เป็นภาระเป็นปัญหาต่อตัวเองและคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นทำการทำงานทำอะไรใช่กายใช่วาจาผิดเพี้ยนไปเพราะมันหลงตรงนี้ถ้าเราไม่หลงก็หลุดออกไปแล้วพ้นไปแล้วจนไปเห็นกายเห็นใจเห็นเป็นรูปรเป็นนามเป็นธรรมรวบรวมเป็นการแตกฉาน แต่แานในกองรูปกองน้ำกองรูปกองน้ำ ม, มีสิ่งที่อาศัยอยู่นี่มากมายหลายอย่างมีอาการมีธรรมชาติเยอะแยะไปหมดเลยที่เกิดที่ตั้งอยู่บนกองรูปที่อาศัยอยู่บนกองรูปกองน้ำเหมือนแผ่นดินที่มีสิ่งที่เกิดอยู่บนแผ่นดิน เตนมากหลากหลายกษัตริย์ลายสิ่งที่ไม่พิษมีภัยมีประโยชน์ก็มีมีโทษก็มีเหมือนภูเขาลูกนี่ที่เราอยู่นี่ปัตตาสุขะโตไม่ภูเขาอีกหลายลูกตั้งอยู่บนภูเขาลูกนี้ในชื่อเสียงเรียงนามต่างๆลักษณะก็ต่างกันไปเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับภูเขา นามเนี่ก็ยิ่งมากไปมันก็มีความรู้ความคิดความนึกอะไรต่างๆนะนามเป็นธาตุรู้อันหนึง่งเรียกว่าวีจารณธาตุเป็นธาตุรู้อะไรรู้อะไรรู้ไปหมดรู้ตะเปะตะปาไปก็ไม่รู้อันโถอันทองก็ไม่ ลู่ความชั่ววางแผนทำควมชั่วทำความชั่วได้สำเร็จลู่ความดีทำความดีได้สำเร็จก็ไหมลู่ทอดลู่ทนนามมาทำที่อาศัยกันทำทำกรรมได้สำเร็จเราก็ทำได้สำเร็จแต่ว่ามันเป็นกรรมที่ไม่ใช่ความหลุดพน้นเป็นกรรมที่วุ่น ในกองรูปกองน้าพอมาเห็นสิ่งต่างๆที่มันตั้งอยู่กับกองลูกกองน้าเนี่ยตอนนี้เป็นแหล่งแหล่งการศึกษาแล้วก่นนะสนุกดูสนุกเห็นสนุกดูสนุกเห็นหลาอยอเห็นลูกทมเห็นน้ำทำลูกมันทำดีนรร ม, มันทำดีลูกมันทำชั่วน้า ม, มันทำชั่วเห็นกับหูกับตาสัมผัสได้ เอาเอาลูกเอานามมาทำความดีเอารูปเอานามมาแล้วความชั่วทำได้แล้วบป่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามทำให้เราได้ทำดีทำให้เราได้แล้วความชั่วมีมากเห็นเห็นจริงเห็นตามความจริงก็พอสรุปได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามล้วนแต่เป็นอาการไม่ใช่จริงจังอะไร อาการเหล่านั้นมีการแสดงออกตามลักษณะเป็นความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์นัความไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับกองลูกกองน้ำเฉลยได้ตรงนี้ฉเฉลยได้ตรงไหนคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกองรูปกองน้ำเป็นอาการต่างๆที่เขาแสดงออก แต่ก็อนเราเคยโู่ก็ไม่เคยหลงก็ไม่เคยสุกขเคยทุกข์ก็ไม่บัตรนี้ไม่โง่หลงมากมายเป็นตัวปัญญาเป็นตัวเฉลียวฉลาดจากกองโูกกองนามทั้งหลายทั้งหลายโลกทำนามทำลโลกโลกตามโลกลกสมมุตินามสมมตุมมมติโูกทุกตามทุกสมมุติบัญญ์จัดโอ้ยมากมายในโลกเต็มไปด้วยสมมตุติ สมมุติบัญญัตินี่บัญญัติขึ้นมาเพื่อใช่ให้สำเร็จประโยชน์เป็นสาคลนเข่นชื่อเสียงเรียงนามของเราบุตรปัญญาสามีของเราทรัพย์สินของเราอะไรต่างๆนี่ยสมมติบัญญัติใช่ตามใช่ตามความถูกความต้องสมมติใช่กันไปเป็นอะไรต่างๆมากมาย สมมติบัญญัติที่เป็นอารมณ์ที่บัญญัติตัวเองก็มีความชอบความไม่ชอบความยินดีความยินไล่บัญญัติลงไปมากหลายบันทึกลงไปเหมือนคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลไว้เยอะแยะไปหมดเลยหนักอึ่งไปเลยบางคนชีวิตว่างชีวิตหนักมากเป็นพาละาหาเวปัญจัตขันธ์ทา ขันทั้งห้าทั้งที่มั น, เ ป, นเป็นธรรมชาติก็เป็นอุปทานไปยึดเอาไปยึดเอาไม่ไม่ปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติเป็นอาการไปยึดเอาหนักแบกเอาพลงพลังไปยึดเอาความสุขยึดเอาความทุกข์ความทุกข์ก็ยึดนะยิ่งยึดเิ่งองนันความทุกข์นะถ้าได้โกรธล้วก็ลืมไม่ลงแล่ะ เยอะด้วยเอามาทำให้เห็นเป็นทุกข์สวยเรียกว่าวิบากวิบากกรรมวิบากเหมือนเราสวดเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่กันในกาเนิดทั้งสีภูมิทั้งสามคือกอ็การมาพบลูกพบร่ลูกพ บ, พบภูมิพบวัตะสงสารกาเนิดทั้งสีคือสังเสทชะคันทชัชฌลพุชะ โอปปาติกะเกิดดับเกิดดับหลายพบหลายภูมิบางทีเผลอๆมันเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสนาโลกเป็นเดรัจฉานไล่สติปัญญาเมื่อเห็นแล้วโอ้เห็นภูมิจบของเห็นภพบจบของเหมือนกับเป็นญาณเกิดขึ้ น, นบุเพนในวาสานุสติญาณคิดถึงตนเอง เคยอยู่ในพบในภูมิบรรทเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับขิดหลาบพอมาเห็นมาดูมาลูเข้าไปนะเนี่เป็นเป็นสมมุติปัญญาที่เกิดขึ้นกับนามลูกนามมลูกมันเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งกี่พบกี่ ช, ชาติอสมมติปัญญาที่เป็นลูก กนหลงสมมุติบัญญัติที่เป็นนามที่เราบัญญัติขึ้นมาก่นลงบัญญัติในสมมุติหูได้ยินบัญญัติว่าชอบคคว่า like. ไม่ชอบตาเห็นบัญญัติลงไปว่าชอบว่าไม่ชอบจมูกได้ยินบัญญัติลงไปว่าชอบว่าไม่ชอบถ้าชอบไม่ชอบก็ปฏิเสธปฏิเสธถ้าถ้าไม่ชอบปฏิเสธถ้าชอบก็เอามาป้นเอาก็มีกี้เอาก็มีขมคื่นเอาก็ไมี ฉชกช่วยเอาเข้าไปเอาของคนถึงมาเป็นของผนผิดสิ้นผิดธรรไปแต่พืชตะพื้นไปเห็นแต่ขานตกแหล่งตกแหลงของตะ ก, กะศิลาพอเห็นลู่เห็นนามเป็นตกกะกศิลาของการศึกษาชีวิตเราลู่ลู่แก้งไม่ใช่ลู่แบบจําลู่เห็นลู่เห็นพบเห็น เห็นความไม่เที่ยงก็ก็ไม่เที่ยงจริงจริงแบบไม่เที่ยงไม่จริงแบบไม่เที่ยงลูกจนเกลี้ยงทุกก็จริงแบบเป็นทุกแต่ความทุกก็ไม่จริงมันจริงแบบเป็นทุกเฉยๆไม่มีสิ่งไหนที่จะไปยึดไปถือเอาอวิชากรรมฐานหลุดไปอย่างนี้พ้นไปอย่างนี้เห็นลูกสมมุติเห็นน้มสมมุติเห็นบรรยัต พอเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรมันมันเป็นอย่างไรมันทําลายความโลภความโกรธความหลงความลายความโลภความโกรธความหลงเบาบางจางคายหรือหมดไปเลยถ้าญาณมันแจกกะเป็นอาสวัคคายานทําลายอาสนุษย์ใส่ทำลายความโลภความโกรธความหลงกิเลสที่จริง ท, ทำให้เศร้าหมอง ทำลายลงได้จริงๆพระพุทธเจ้าเปรียบเทียมยานหรือปัญญาเนี่ยปัญญายานปัญญาวิปัสนาญานเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียมเหมือนช่างม่วนอ้อยเข้าปากง่ายนิดเดียวแต่เราไปม้วนเหมือนช่างไม่ได้การที่มันเกิดยานขึ้นมานมันเป็นพลังร่วมหลายอย่าง เราก็ตั้งเราสร้างเอาไว้ตั้งแต่อสร้างสติให้อยู่ในกายในมีอยู่ในกายต้องก็เจาะตรงในเสียก่อนพอเจาะหลุดออกไปมันก็หลุดไปเลยเลย เ, เหมือนแต่ก่อนเหมือนกับเราติดคุกไม่ค่อยเป็นอิสระอยู่ในความรักความชังความโลภความโกรธความหลงหรือเหมือนกับเมฆหมอกที่บงัง เหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่เมฆหมอกบังหลายชีวิตที่ถูกปิดบังตั้งแต่เกิดจนตายหลายชีวิตก็สางซาออกไปเกิดมามืดก็ไปมืดเกิดมามืดไปสว่างเกิดมาสว่างไปมืดก็เมืนเหมือนกับองค์คุริมานตัดขาถาออกแต่ก่อนนี้เราประมาท ภายหลังไม่ประมาทชื่อว่าสร้างโลกให้สว่างแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆแขนนั้นชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นมันหลุดนะเพราะว่าจากนี้มันไม่ใช่เป็นคาพูดมันหลุดแล้วมันจึงมีคำพูดออกมาเป็นสมมุติออกมาสมมุติบัญญัติออกมาหลายรูปว่าอลหันหลายรูปที่บัญญัติที่เป็นคาถาแสดงออกมา เรียกว่าศาสนาสุศาสนุพสิทธิ์แต่เป็นพุทธพสิทธิ์เป็นของพระพุทธเจ้าบางทีทิชุนีก็มีบัญญัติออกมาอุทานออกมาเป็นคําพูดแสดงออกมาหลายคนหลายพูดบัญญัติลงไปจนเป็นพระสูตรเป็นพระอริธรรมเป็นพระวินัยมากมายอการศึกษา กรรมฐานมันเป็นการศึกษาที่พบเห็นไม่ใช่การศึกษาเพื่องูปล า, ปาลูๆูคๆความพังน้าหลอกหนูหลอบตานะไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะหลักของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นสูตรมันเป็นทางไปแล้วเห็นกุศลเห็นอกุศลเห็นศีลเห็นสมาธิปัญญามีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ไปเรียนเหมือนกนารศึกษาฝ่ายปริยัติไปเรียนเอาว่าได้ปาราติปาปปตาเวรมานีว่าได้หรือพุททังสนังกชามิว่าได้นมโมจัสัพะพะควปโต ว, ว่าได้อย่างผูท้ที่ในตำราผู้ที่ว่านมโมก่อนใครในโลกคือใครละ่ะอะไรละ่ะ คมอะไรจำมาได้ไม่เป็นความจำนะ <c oughs> ไม่ใช่ความรู้พอฟังเทศพระพุทธเจ้าเราเกิดศรัทธาน้อมกล่าบนมูตะเสวะภควาโตขอโน้มโน้มต่พอพระผู้มีพระภากเจ้าพอได้ยินได้ฟังได้เกิดปัญญาขึ้นมาหรื อ, อวสกวาสิกาคนเล็กวิดาของพยาสมาดาวพยาศ ภรยรยาของพรายัสสะพุทธังสนังอาชาเมข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นฉรณะเพราะมันถึงแล้วมันพ้นแล้วแต่ก่อนมันไม่รู้พอเกิดพุทธะในใจมันพ้นขึ้นมาข้าพเจ้าอาศัยพระุทธเจ้าจึงพ้นจากทุกขงังปวงได้ถ้าเราเรียนมาเราก็ว่าแต่ปากไม่พ้นอะไรก็ว่าได้บางที ต่อหน้าต่อตายังมาหลอกกันเดี๋ยวเมาเล่ามาวันนี้ก็ยังว่าสุลาเมีลยะมัชัปประมาณฐานาเวลมะนีท้าวเจ้ามีเจตนางดเว้นจากการดื่มสุลาเมีลายอันเป็นที่ตั้งของความประมาทยังมาหลอกกันต่อหน้าต่อตาก็มีคําว่าคําพูดอันนั้นมันเป็นการศึกษาที่รูปแบบจําออกมามาว่าว่าได้เรียนได้หัวดี แต่ว่าวิชากรรมฐานนี้เป็นวิชาที่เกิดจากการกระทาของเราทุกคนไม่มีใครที่จะให้กันได้นะต้องมาทำเอากำกรรมฐานจำแนกไปเลยไม่ต้องมีอะไรหรอกกายนี่แหละเป็นตำราใจนี่แหละเป็นตำราสตินี่แหละจะเป็นนักศึกษาดูไปดูไป เริ่มต้นจากสติเอาไปเอามาไม่ใช่สติทรนาะเป็นญาณเป็นฌานเป็นปัญญา <c oughs> ก่เกิดขึ้นเรื่อยๆมากลาย <c oughs> การเจริญสติเนี่ยนะะฉะนั้นจึงมาจับตรงนี้กันพวกเราจับรล้องลอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูปเกิดขึ้นมาในโลกเริ่มต้นจากการเจริญสติปฐาน ทรงนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพไม่มีหนังสืออ่านสักเล่มเดียวความรู้ที่ศึกษามาสิกเกตศาสตร์ก็ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยมามีสติดูกายตั้งไหวตั้งไหจนเกิดมานมาะจนหลายอย่างเกิดพระพุทธรูปปางต่างๆอยู่พุทธรูปที่โรากราไวไหวใน่ยปางสมาธิ รูปนั่งอยู่รูปนี่ก็มีปางสมาธิแบบเคียงแสนแต่ปางสมาธิแบบสุขโขไัยแบบนี่ก็เป็นต่อีกรูปน่งปางมานวิชัยก็เป็นอีกแบบหนึ่งปางสีหัสยญาตปางอะไรต่างๆ สำเพึงลาพันอะไรต่างๆห้ามญาติอะไรต่างๆสมพูธขึ้นมาสมุติปัญญัติขึ้นมานี่ก็ <c oughs> คือการศึกษาในวิชากรรมฐานไม่ใช่วิจาที่ไปคิดเห็น เป็นวิชาเป็นการศึกษาที่เกิดการพบเห็นพบเห็นเห็นอะไรเห็นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายจับจับกัดจิตใจไม่มีตรงไหนปิดบังอำพรางลูกหมดลูกคบลูกท้วนเห็นแล้วก็หลุดเห็นแบบนี้มันหลุดมันพ้นยิ่งตรงกันที่มันมันดีที่สุดคือเห็นความหลง เห็นความหลงเป็นความรู้นี่ยมันมันแต่จะว่าภาษาภาษาอะไรนะะเอาชนะมันได้เห็นความโกรธเอาชนะความโกรธเห็นความทุกข์เอาชนะความทุกข์เนี่ยโอ้ไม่มีอะไรที่จะแน่วแน่มั่นคงเท่ากับสิ่งเหล่านี้นะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานเอาให้มันวอดไปเลยน ะ, จะใจมันเป็นใหญ่อยู่ในชีวิตจิตใจเราได้อย่างไร นี่มันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เก่งๆแล้วมันก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าหน้าสงสารคนเรามันมีทุกข์ขังทุกข์ขังเนี่ยเป็นทุกข์ที่ออกไม่ได้ต้องกำหนดรูอย่างเดียวนั่งอยู่นี่มันก็หายใจเพื่อนไห้มันก็เป็นทุกข์ของมันถ้าไม่พิบตามันก็เป็นทุกข์ถ้ามาหายใจก็เป็นทุกข์ ถ้าไม่เกินน้ำลายมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่นั่งไม่นอนไม่ยืนไม่เดินมันก็เป็นทุกข์โอ้ทุกข์ขังทุกข์ขังทุกข์อันนี้เป็นทุกข์กำหนดรู้ไม่ใช่ทุกข์อุปาทานแต่บางคนไม่รู้ไปยืดแต่ว่าเป็นทุกข์จนเกิดปัญหาอก่สิ่งอื่นว่าทุกอื่นคนอื่นหาเรื่องที่จะมาแก้ตรงนี้อ่าที่จริงทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์กำหนดรู้ในรูปทุกข์แต่นามทุกข์ ทุกบางอย่างกำหนดรู้โดยการบันเทาเจ็ดความร้อนก็อาบน้าการหนาวก็ห่มผ้าการหิวก็กินอาหารการขับการถ่ายทุกข์อนทุกเจ้าเรือนทุกเจ้าถิ่นทุก์สามันยลักษณะไม่ใช่เป็นทุกอุปาทานทุกี่เป็นอุบปทานเป็นทุกเรียสสี่บางทีทุกเรียสสีมันพวงเข้ามากับทุกขังทุก สามัญลักษณะทุกสภาวะทุกติศละทุกอาขันตุกทุ ก, อทกเอาหมดเลยทุกอริยสัจสี่ถ้าเห็นแล้วโอ้เป็นระเบียบเจ้าทุกทั้งหลายเข้าแถวกันเข้าแถวเขาลบสติเพราะสติเนี่ยมันมีมันมียาดมีปัญญาออกหลีกทางไปเลยถ้ามีเสด็จ เพราะสติติสร้างความเป็นธรรมอาธรรมทั้งหลายก็ไม่ขวงกันได้ง่ายๆการทำลายความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงบางคนพูดว่าการห้ามจิตห้ามใจห้ามไะ้ยากทำอะไยากแสดงว่าไม่เคยปฏิบัติเพียงแต่คิดเฉยๆถ้าปฏิบัติเราง่ายกว่าอย่างอื่น การที่จะทำใจง่ายกว่าอย่างอื่นการทํากายในต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุอื่นเสียงอื่นหลายหลายอย่ะมาช่วยเช่นหนาวก็ต้องหาผ้ามาห่มวโยคะก็ต้องกินข้าวมีข้าวมีอาหารไม่ถ้วยมีชามม่ช้อนไม่เขี้ยวมีมือมีตาอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยแค่ว่าการทุกข์ที่เป็นทุกข์เลยสัตว์เนี่ยง่ายนิดเดียวละทันทีเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนง่าย ถ้ามันเกิดทุกข์ที่เป็นอาเลยสัตทุกข์พาสังขารเช่นสังขารเนี่ยสมุทัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์เกิดง่ายนิดเดียวนะก็สังขารมันเป็นไรสังขารมันปรุงมันแต่งให้ทุกข์เกิดก็เปลี่ยนเป็นวิสังขารเท่านั้นเองในสังขารมันมีวิสังขารในสังขารมันมีวิสังขารในสังขารมันมีนิพพาน ในทุกมันมีในผ่านในทุกมันมีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีทุกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสริรู้ไม่ได้เกิดเราไปกลัวทาไมลองปฏิบัติทำเ่ยมันจะโอ้มันมีชัยภูมิมันชน ะ, ะถ้ามีสติสมชัช ญ, ญ์มันมีแต่ชนะคิดตั้งเมคิดตั้งเมชนะแล้วชนะแล้วรู้แล้วเห็นแล้วไปทำหน่องนี้การปฏิบัติธรรม มันก็เปลี่ยนไปไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ใช่พบเป็นเฉยๆมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปล่วงข้ามไปล่วงพ้นไปเอาไว้หลังเอาไว้หลังสิ่งที่เห็นเอาไว้หลังสิ่งที่เห็นเหมือนเอาไว้หลังเหมือนคนเดินทางคนเดินทางต้องเอาบ้านนั่นเมืองนี่ไว้หลังจึงจะชื่อว่าเดินทาง กับพณะท่านลองเพราะว่าถ้าคณหมอพยาบาลมาจากบุดิลัก็เอาบุดิลํไว้หลังเอากูเมืองไว้หลังเอาพุทธชจ้สงไว้หลังเอาหนองสองห้องไว้หลังเอาเมืองคนไว้หลังเอาอนสวรรค์ไว้หลังเอาแจ้งข้อไว้หลังขึ้นถึงป่าสุกโตเรามองไปข้างหลังดูสิที่เรเดินมาเราก็ผ่านมาได้อย่างนี้มาถึงนี่ยากจริงจิงแล้วมีใครมาถามว่า เรามาได้อย่างเขาเห็นแล้วพอ ม, มาถึงที่นี่ก็มองไปทา้งหลังก็รลู้แล้วมาได้ผ่านมาตรงนั้นจริงๆอาจจะมาในนั่งรถถูกส่งถูกเส้นถูกสายถูกเที่ยวถูกเวลาต้องมาถึงได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่ต้องไปใช้สมองใช้การกระทําอย่างเดียวการกระทําพาไปเองจำแนกไปเองกรรมจำแนกสัตว์กัมมุนอาวตติโรโกร สตวโลกเป็นไปตามกรรมถ้าเราจะศึกษาโดยชีวิตแห่งความหลุดพ้นต้องมีปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปคิดเอาเหตุเอาผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเหตุผลก็อฆ่ากันตายก็ได้สัจธรรมเนี่ยมันมันไม่เป็นเทียนนั้นมันจริงฮนะมันเห็นจริงนต่มันทําไม่ลงเห็นของโกรธของโกรธลงได้ยังไงมันจะเอาไฟมาจุดตัวให้มันไหมอยู่ทําไม มันเราเห็นไฟจะเอาไฟมาให้มันล่อนอยู่ทําไมมันก็เอาไฟหนีหรือดับไปบางทีเราแต่ก่อนไม่รู้ถ้าเคยไม่ทาให้เราโกรธก็ทําให้เราทุกเราก็ต้องตามหาคนทําไมทําไมทําไมจึงว่าอย่างนี้ทําไมจึงว่าอย่างนี้อ่าทําไมจึงว่าเราอย่างนี้อย่าว่าเราสิบางทีก็ไปทะเลาะวิวาดกัน บางทีกูได้ด่ามันกูก็หายโกรธกูได้ฆ่ามันกูก็หายโกรธมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไว้แั่เกิดถึงก็ดับทันทีเห็นจ้อยไปเลยอเราี่มีผละเสียเปรียบถ้าถ้าเราโกรธให้คนใดเราเสียเปรียบคนนั้นเสียเปรียบจริงจริงเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์มีประโยชน์อะไรโอ้ไม่เห็นแล้วนะขนหัวลุก คนโอลล์มากเพราะฉะนั้นมันจะมันจะอะไรที่มันน่ายกมือไหว้ตัวเองมันก็ต้องเป็นเรื่องอย่างนี้การศึกษาการปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทียนสอนพวกเราตามอาการตามอาการที่เห็นจิตใจมันก็เปลี่ยนไปมาบําเพ็ญทางกิต มาบําเพ็ญทางกิตเอ้าทุกคนก็มีกิจกิตมันเป็นยังไงกิตกับสติเนี่เข้ากันดีดิคู่กันมีสติดูกิตเอ้าในกิตมันก็มีกิจดูของมันเองในสติมันก็มีสติแล้วเท่านั้นประเี๋ไม่ต้องยากเลยมันในตัวมันในกิตมีสติดูกิจมีกิจดูกิตให้ไวที่สุดตรงนี้ เราจะแพ้เราจะชนะก็นี่แหละตรงนี้แหละเราก็แพ้ตัวเองเราชนะตัวเองสุดท้ายก็มีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจเนี่ยมีกิจ ด, ดูกิจในกิจมันดูกิจเองมันเป็นไปเองแต่มันเป็นทางกิจไม่เหมือนกับการเริ่มต้นที่มาสร้างจังหวะต้องออกกายสร้าง ปวดลังปวดเดียวต้องเห็นกายต้องหลงกายต้องเห็นกายต้องหลงกายความหลงกับความรู้เนี่ยทำไม่ใหม่ความหลงก็จะมากความรู้อาจจะน้อยอต้องสู้ต้องทนต้องทวนกระแสสักหน่อยความบันขึ้นได้มันก็ไปง่ายๆเหมือนทะเลการศึกษาธรรมะลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆ ทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนฝั่งแม่น้าําคีฝั่งแม่น้ํา ม, มูลไม่เหมือนฝั่งอัลลป์เทาไม่เหมือนฝั่งแม่น้าําขงทะเลเนี่ยมันเรียบมันลุ่มลึกลงไปเลยเลยเหมือ น, นก้นกระทะมันจึงมีความเข้มแข็งไม่พังฝั่งทะเลภูเขาถีละแท่งเทือกและฝั่งทะเลอ่าพอะจิตพระจันร์ฝั่งทะเลไม่กําลัง การศึกษาธรรมะนี่ก็มีกำลังมีกำลังที่จะละความชั่วทำความดีมากหลายเยอะแยะศีลมาช่วยสมาธิมาช่วยปัญญามาช่วยอวิมุตต์มาช่วยมีได้สิ่งมาช่วยเราไม่ให้คล้องไม่ให้ติดอยากจะโกรธก็โกรธไม่ได้อยากจะหล้มก็ลงไม่ได้ค่มขืนตัวเองถ้าจะโกรธค่มขืนตัวเราถ้าจะล้มก็ข่มขืนถ้าจะทุกข์ก็ข่มขืนมันทำไม่ลง เพราะอะไรศรีลมาช่วยสมาธิมาช่วยสติมาช่วยปัญญามาช่วยอะอะไรจะเยอะไปหมดเลยนะมีกิจ ด, ดูกิจมีสติดูกิจนี่โท่สนุกเราตรงนี้นางเนีไม่มีอะไรจะสนุกโทษตรงนี้เหมือนเหมือนเด็กติดเกม <c oughs> ชนะก็ชนะตัวเองแพ้ก็แพ้ตัวเอง มันไม่ใช่ของจริง น, นันันแต่ว่านี่มันจริงมันก็เกิดขึ้นเท่านี้มาลู้เท่าลู่ทันจิตใจที่มันคิดตัวคิดมันมีสองคิดคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดที่ตั้งใจเวลานี่เราไม่ต้องมาคิดแบบที่ไม่ตั้งใจไม่คิดที่ตั้งใจมีแต่มีสติมาดูกิดไม่คิดดูกิดลงไปให้มัน แคบแคบให้มันแหลมแหลมให้มันเป็นโฟกัสมันแหลมไม่มีอะไรจริงๆริงตอนนี้มีแต่จิตติดูกิจไม่ได้กิจดูกิจตรงนี้แหละเป็นตรงที่ชนะตัวเองนะแต่ว่าถ้าเราจะเป็นเพนตรงนี้เลยไม่ได้เราต้องเริ่มต้นต้องศึกษาต้องปฏิบัติได้ถานได้กําลังได้แนวร่วมเกิดจากเบื้องต้น ที่เราสร้างไว้เห็นกายมันหลุดไปแล้วกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นทำเหมือนกันหมดเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเหมือนกันหมดมันบอกอารมณ์มันบอ ก, อ ม, ม, บอกมันช่วยแต่ว่าได้อารมณ์ได้อารมณ์ของกรรมฐานน่ะอารมณ์นมาานมเนี่ยมันเหมือนตุลาการที่ภากษาสร้างข บ, บวนให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาต่อชีวิตจิตใจของเราอะไรที่ไม่ใช่ธรรม จริงเราเนี่ก็ช่วยกระบวนการแน่งความเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความรู้สึกตัวเป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมควมไม่โกรธเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมควมไม่ทุกข์เป็นธรรมมันก็เกิดธรรมขึ้นมาเปลี่ยนอกุศลเป็นอกุศลกุศลก็งอกงามจเจริญก้าวหน้าเมื่อกุศลมีอยู่แล้วหนึ่งสองสามก็ดีกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้น มันเป็นอย่างนั้นมันมากขึ้นมันมีมันมีเหล็กเหมือนกับความเพียรเมื่อน่าฝนเมื่อมีน่าฝนก็เกิดชุ่มฉับจะเขียวผลละมากลางไม้เกิดขึ้นมาไดูนี่เป็นเป็นฤดูแล้งใบไม้เหี่ยวแห้งเพราะอะไรเพราะขาดน่าฝนชีวิตของเราก็เหมือนกันความเพียร ความเพียรคือการกล้าเพียรยังไงอเพียรละกุศลให้เกิดกุศลเพียรละอกุศลเพรละบาปเพียรละกายทุจริตเพียรละวิจารทุจริตเพียรละมะโมนโทุจริตให้เป็นกายสุจริตให้เป็นวิาจารสุจริตให้เป็นมโนโสุจริตนี่เราจเจริญเสต่อย่างเดียวทำทั้งหลายทั้งหลายเหมือนกับการศึกษาเราศึกษาไป ที่สุดก็คือเจริญสติมาบาเพ็ญทางกิจมันง่ายๆแล้วบ่ะนะมันง่ายๆมันไม่สิ่งอาศัยเหมือนเราเดินใต่สะพานมีเหวาจับไม่มีทางที่จะพัดตกลงไปได้การปฏิบัติทำเมื่อได้อารมณ์เมื่อเห็นอารมณ์กรรมฐานนั่นก็ช่วยเราอารมณ์มันช่วยเราโดยพอลูก ทำนามธรรมหรือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ใจรักทั้งหลายเนะีมาเห็นไตรักเนี่ยพอพอเห็นไตรักเนี่ยโอ้พอให้เราหลุดพ้นเลยง่ายง่ายเข้าหาไตรักไจรักเป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงชีวิตของเราเห็นลูกเห็นนามเห็นใจรักเห็นอาการต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นกับกายกับจิต ตกอยูในสภาพใจลักเนี่ยถ้าเจริญอยู่อย่างนี้อย่างเดียวก็ถึงมรรคถึงผลได้แต่นี่เราด่วนเชอะหน่อยเราด่วนสายด่วนเชอะหน่อยเอาให้เอาให้ทันทีเลยบําเพ็ญทันกิจเข้าไปไม่ต้องไปลําดับลำนํำบางทีปัญญาวิมุตติก็เกิดขึ้นได้การหลุดพ้นด้วยปัญญาการกลุดพ้นด้วยกรรมฐ า, านหรือก ว, ว่าวิปัส สุขวิปัสสโกเอาล้นล้นไม่ต้องรอไม่ต้องอาศัยปรรยัญญาไม่ต้องอาศัยอะไรเอาล้นล้นเข้าไปเลยด้วยสติด้กยคิดไม่กิดดูกิคิดเข้าไปแต่มันมันมันสรุปเล้ยมันมีเท่านี้จริงจริงอะไรก็โล่หมดเห็นมาหมดทุกน้ำทุกรูปโลกน้ำ โ, โล ก, โลกรูปทำนาทำรูปสมมุติรูปบรรัญญัติในศินสมาธิปรรัญญา ไม้ก็กุศลเรากุศลเอากุศลก่อนละกุศลต้องสร้างเรื่อยไปเปลี่ยนเรื่อยไปเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้อกุศลเปลี่ยนกุศลคว้มหลงเปลี่ยนคุ้มไม่หลงสังขารเปลี่ยนไปวิสังขารอันที่สุดจิตใจมันก็เปลี่ยนลือหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวที่ทําให้สุขทํำไมทุกเป็นธรรมชาติ ชีวิตเข้าสู่ธรรมชาติขึ้นสู่ธรรมชาติไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรอั่นี่มันก็เหมาะแจรารงานแจ่หน้าที่ก็คิดเห็นอยากสอนคนเมื่อตรงที่หลวงพ่อเทียนสอนพวกเราให้รู้จากรูปรูจ้กนามหรือสอนตั้งแต่เบื้องต้นไม่เคยมีใครสอนให้ออกกายมาสร้างความรู้สึกตัว สอนให้เอาใจมาสร้างความรู้สึกตัวควมรู้สึกความรู้สึกตัวเกิดจากกายจากใจความหลงก็เกิดจากกายจากใจเอากายเอาใจมาสอนให้รู้สึกตัวนี่ไม่เคยเห็นใครก็ศึกษากรรมาฐานมาหลายแบบมาเห็นหลงก็เทียนน่ะอมาสอนใต้อารมณ์กรรมฐานได้หลักใต้ฐานไปเลยๆก็อยากสอนคนให้มามันก็มีรสชาตินะรสพระธรรมตรงนี้นะ่ะโอ้ อยากสอนคนให้เขารู้เรื่องนี้ก็ตื่นลืลุ่นแล้ววานะไม่มีไม่มีคําสั่งไม่ต้องมีคําสั่งไม่ต้องไม่มีไม่ต้องมีมหาเทระสมาคมนะสั่งแต่นี่กําลังร่างพระราชบัญญัติพุทธศาสนากับร่างพระราชบัญญัติการคุ้มของพุทธศาสนาให้มีระเบียบให้มีแบบแผนให้มี รูปประธรรมให้เป็นรูปประธรรมขึ้นมาก็ดีแต่ถ้าเราไม่เรียนปฏิบัปธรรมจริงๆเนี่ยคนก็รู้กันเท่านั้นแ่ะรู้ดูอยู่ผมโกรธมันไม่ดีก็รู้อยู่แต่เขาก็ยังโกรธอยู่ความทุกข์มันไม่ดีก็รู้อยู่แต่ว่ามันยังทุกข์อยู่แต่ว่าถ้าปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นไปเองนะมันก็ นี่แหละเราจะเอาศาสนาธรรมไว้ได้ไหมเหมือนหลวงพ่อพูดในเมื่อวานเนี่ยศาสนาธรรมเกิดขึ้นจากอะไรจากสติสมัชัญญะเมื่อมีสติสมัชัญญะก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็มีธรรมวินยัยสิ่งเหล่านี้อยู่กับใครอยู่กับตำราอยู่กับหนังสือหรือมันต้องอยู่ในชีวิตจิตใจของเรา แต่เราไปอยู่ในหนังสือในตำรามันก็มีแต่คนรู้มันก็ก็ใช้ได้แต่ว่ามันทำลายได้แต่ถ้ามันอยู่กับเราเนี่ยสติก็อยู่กับเราสินสมาธิปัญญาก็อยู่กับเราทำไว้ในก็อยู่กับเรานี่คือศาสนามั่นคงคนเป็นคนดีคนไม่ทำบาปไม่ทำกรรมเปรียดแปลงมีชีวิตมีเมตตากรุณา สอนให้กดเป็นคนดีทุกชีวิตเป็นคนดีมันก็ต้องไม่มีอะไรทุกชีวิตละความชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์นี่คือตัวศาสตราสนาคือธรรมวินยมันต้องอยู่ในกายในวาจาในใจของเราก็เป็นไปทำนองนี้การศึกษาวิชากรรมฐานไม่ใช่พระป่าอยู่ป่าไม่รู้อะไรไม่ใช่ฮะ ก็ศึกษากรรมฐานเป็นวิชาหลักเป็นต้นต่อของพระพุทธศา ส, สนาเกิดขึ้นมานะก็ต้องเรียนทั้งปฏิบัติทั้ง ป, งป ร, รยปิยัติคันธทุละเรียนปริยัติคําสอนคําอะไรต่างๆวิปัสสนาทุละก็คือเรียนเรื่องกรรมฐานคันธทุละวิปัสสนาทุละพวกเรามีทุละสองอย่างนี่ ให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจอย่าทิ่งมันตรงนี้มันจะเสียชาติที่เกิดมาชีวิตขอเเราเพื่อการนี่โดยตรงก็พูดให้ฟังสอนให้รู้สอนให้ทาทั้งสองอย่างไปพร้อมพอมกัน